พระอาหารหันต์ก็เลยเห็นลูกศิษย์นึกถึงอาจารย์ใช้ให้ไปถามก็รู้ว่าบรรลุแล้วในนี้ก็บอกว่าท่านก็ใช้ลิดดำไปโผลวดต่อหน้าพระนนท์ดำอะไรดำดิดโผต่อหน้าพระนนท์แล้วก็บอกว่าพระอาหารหันต์เจ้าทั้งหลาย ได้ใช้ให้กระผมมานิมนต์ท่านอาจารย์ให้เข้าไปสู่ที่ประชุมแล้วทั้งคู่ก็ดำดินเข้ามาโหลในสภาที่ประชุมนี่นี่คือท่านขุดชะสูพิตะอ๋อเมื่อกี้ไอ้ตอนกลับนี่ไม่ไม่ได้ดำดินนะท่านบอกว่าห อ, อกมาตอนกลับนะ ต อ, ตอนไปนะดำดินไปอ่าทีนี้เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็แสดงธรรมโปรดทั้งมนุษย์โปรดทั้งเทวดาแล้วก็ต่อสู้กับมารเหมือนกันขับเขี่ยกับมารคื อ, อฐานะของท่านกุทธาโสภิตะตอนทำปฐมสังเงาเนี่เห็นว่าคืออ่านดูแล้วนะก็เหมือนว่าท่าน ทำหน้าที่เหมือนเป็นเป็นคล้ายๆเป็นยามผู้เป็นคนคอยรักษาการไม่ให้มีคนมาก่อกวนและผู้ที่ท่านระวังและได้เข้ามาก่อกวนก็คือมารที่เข้ามากวนการทังงนาในครั้งนั้นนี่ก็เป็นเรื่องเล่าไว้อย่างนั้นบุ๋งก็เลยเล่าให้ต่อไปนะครับ ท่านวารณะเป็นองค์ที่หนึ่งร้อยเจ็ดิบหกท่านวารณะนั้นก็เกิดในตระกูพลพราหมณ์ชาวแควนโกสนที่ได้บวชเนี่ยก็ เ, เพราะว่าได้ฟังธรรมจากพระที่ท่านถืออารันยิ ก, กะทุดงอยู่ป่ารูปหนึ่งเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็บวชนี้เมื่อบวชแล้วก็บําเพ็ญธรร ม, มะอยู่ยังไม่ได้บรรลุอลหรหันต์ที่เดียวแล้วนะครับ ก็ได้เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในระหว่างเดินทางนั้นนี่ก็คนมีธรรมะคือเจออะไรก็ ค, คิดเป็นธรรมะได้หมดท่านว่าเห็นงูเห่ากับพังคอนกําลังกัดกันแล้วก็ตายทั้งคู่ในระหว่างทางท่านก็เกิดความสังเวชว่าให้ความโกรธนี่ยมันทำร้ายทำร้ายทุกคน ไม่มีใครได้ประโยชน์จากความโกรธเลยเหมือนกับสัตว์สองตัวเนี่ยไปเห็นภาพอย่างนี้ก็เกิดความกระตือร้นในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นก็เดินทางไปกิดทังได้ไปเฝ้าพระพุทธเจา้าถึงที่ประทับซึ่งตอนนั้นอยู่ที่เมืองสาวัตถีนะครับที่พระวิหารเจตวันพระผู้มีภาคก็ได้ทรงแสดงธรรมให้ฟังธรรมะนั้นก็ถูกต้องอัตยาใสยกท่านได้ เจริญธรรมะปฏิบัติธรรมะจนทงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั่นเองเป็นอรหันต์ชาลลาผีด้วยชีวิตของท่านก็ราบเรียบนะครับ mm hmm. ก็บวชง่ายเพราะว่าท่านเคยบวชมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนๆเป็นบารมีทางเนกามมะท่านมีสูงต่อไปองค์หนึ่งองค์ที่มีชื่อว่าปัตสิท่านปัตสิกะนั้น เกิดในะกุลราหมชาวเมืองสาวัตถีเช่นดีบและที่ได้บวชเนี่ยก็เพราะว่าได้เห็นยมกปฏิหารอีกคนหนึ่งที่ได้เลื่อมใสามาบวชเพราะเหตุนั้นแล้วก็เมื่อบวชแล้วก็มาทําสมณะทําอยู่จนกระทั่งป่วยเมื่อป่วยในยญาติทั้งหลายก็ช่วยไปอุปถักจนกระทั่งท่านหายในเมื่อหายแล้วก็เกิดวิทยาลํมพากิน อันนี้ท่านใช้คำว่าเกิดความสลดใจสลดใจเนี่ยก็คือวิทยาลัมพะว่าออไอ้ความป่วยเนี่ยมันไม่แน่เวลาป่วยแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้ถนัดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อหายป่วยก็ควรจะรีบประพฤติธธ ร, รมอันนี้เป็นความคิดตรงกันข้ามกับคนขี้เกียจคนขี้เกียจเนี่ยคิดว่าเมื่อป่วยทำหายใหม่ๆยังไม่ควรประพฤติทำอันนี้เป็นความคิดตรงกันข้ามก็ ปฏิบัติกรรมาฐานอย่างเต็มที่เพราะป่วยนี่แหละครับจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ฌานปัญญาด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอากุศลวิบากเกิดขึ้นแล้วเป็นปัจจัยแก่กุศลใช้กุศลวิบากนั้นให้เป็นประโยชน์แก่กุศลธรรมไอ้ตรงนี้ถ้าโยนิโสวิธีการไม่ดีก็อาจจะคิดว่าเนี่ยเพราะบวชจึงป่วยหรือบางทีไม่คิดเองญาติก็มาช่วงให้คิดว่าเนี่ยเมื่อก่อนไม่อยู่ เป็นฆราวาสเนี่ยสุขภาพแข็งแรงมาบบสแล้วป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะ ก, ก, ก็มีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะอ้างกันไปเป็นหลายอย่างแต่คนที่เข้าใจธรรมะแล้วไม่คิดอย่างนั้นคิดตรงกันข้ามคราวนี้เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็เหาะมาเยี่ยมญาติเลยมาแสดงธรรมทาให้ญาตินับถือพระพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่ในศีล แล้วก็เจริญในธรรมกันไปตามสมควรแก่วาสนาบารมีของตัวเองอันนี้ก็เปน็นประวัติของท่านมีอยู่เท่านี้นะครับอีกองหนึ่งครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดองนี้เราเคยเอ่ยถึงมาแล้ว <c oughs> คือท่านยะโสชะประวัติท่านผู้นี้มีเรื่องเกี่ยวพันยืดยาวหน่อยนะครับแต่ว่าผมไม่เอาพระสูตรยืดยาวพูดให้ฟัง คือท่านยะโสชะเนี่ยเป็นลูกของชาวประมงเป็นลูกของหัวหน้าชาวประมงชาวประมงกลุ่มนี้นะ่ะมีนิวาสถานอยูอ่หน้าประตูเมืองไม่ถึงกับติดประตูเมืองทีเดียวนะเมือง<ม>อะไรเมืองสาวัตถีแล้วก็หากินทําประมงน้ำจืดอยู่ที่แม่น้ำอาจิระวดีเราไปที่นั่นแล้วก็ได้เห็น แม่น้ำอจิรยวดีนั้นอยู่อีกด้านหนึ่งของเมืองอของวิหารเชตาวันนะก็คืออยู่ประตูเมืองด้านแม่น้ำอัจิรยาวดีก็ไปเกิดเป็นลูกของหัวหน้าชาวประมงแล้วก็ตัวเองเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นหัวหน้าของลูกพวกชาวพมงอีดีหนึ่งก็เมื่อโตขึ้นก็ได้ดำเนินชีวิตตามพ่อตามแม่ ก็มาพากันมาจับปลาที่แม่น้ำอจิล่าวา ด, ดีแล้วก็ว่าได้ปลาตัวหนึ่งสีทองพอพูดถึงปลาที่ทองนี่เราก็อาจจะนึกถึงชื่อได้แล้วว่าปลาอะไรมีชื่อว่ากรบินมีเรื่องเล่าอยู่ในกระบินละสูตรอภิธาะศิลป์เล่มที่ยี่สิบห้าสุตตนิบาตก็เอามาถวายเห็นเป็นของแปลกนะมาถวายพระราชา ก็นอกจากก็จะแปลกแล้วก็มักจะได้รางวัลจากพระราชาดีกว่าไปขายในท้องตลาดเป็นปลาตัวใหญ่สีทองแต่ว่ามีข้อเสียอันร้ายกาจอย่างหนึ่งคือปากเหม็ดพระเจ้าประเสริฐก็ทรงแปลกพระทยัยว่าเอบปลาตัวนี้ทําไมปากมันเหม็นเวลามาอ้าปากออกมาเนี่ปากเหม็นก็เลยนึกถึงพระผู้มีพระภาคว่าเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเท่านั้นจะทรงบยากรอนได้ ก็เลยไม่อยาก็อออกอ่างเมืองมาที่เจตวันพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นก็ทรงเล่าว่าปลาตัวนี้ไม่ใช่ปลาธรรมดาเหตุที่มีปากเหม็นและมีกายเป็นสีทองนั้นเพราะว่าปลาองค์ปลาตนนี้ในสมัยพระพุทธกาสปะนั้นเคยบวชเป็นพระภิกษุและได้ผิดวาจา คิดวาจายอย่างไรในนี้ก็เล่าว่าในตอนนั้นเนี่ยเกิดในครอบครัวที่แม่มีกันสามพี่น้องพ่อไม่มีแล้วมีแต่แม่แล้วก็น้องสาวปลานะเกิดเป็นคนลูกคนกลางมีพี่ชายคนหนึ่งได้ไปบวชทั้งทั้งหมดทั้งบ้านพี่ชายไปบวชบรรลุเป็นปาลาอรัน น้องชายไปบวชเรียนปริยัติบรรยายธรรมะเก่งราศ ก, กาลละเกิดจนกระทั่งหลงความรู้งตัวเองเมื่อหลงความรู้งตัวเองก็ไปเที่ยวบริพาทด่าว่าย่ำยีธรรมวิัยหนักข้อหนักข้อขึอ้นโดยเฉพาะในเรื่องวินไยว่าใครเข้าสวดลงปาติโมกขังบอกอย่างฉันไม่ต้องหรอกเพราะว่าอะไรอะไรมันก็อยู่ในหัวฉันหมดแล้ว แล้วในที่สุดก็กําเริบเสดสาหนหรือขนาดทำของไม่แสดงของที่ไม่ควรให้เป็นของควรของที่ควรให้เป็นของไม่ควรด้วยอัตโนมัติยธิบายออของตัวเองมาโดยลำดับท่านจึงใช้คำว่าทำรรมวินัยของพระพุทธกัสปนะน่ให้เสืส่อมทรามอันนี้เป็นเหตุการณ์หลังพุทธปฏิญญาข้างฝ่ายแม่และน้องสาวก็ถือเอาลูกชายคือ ปรากบินเนี่ยเป็นทิฏฐานุกติก็อยู่จนกระทั่งมรณะภาพกันไปพี่ชายไปเกิดเป็นเอา้าเข้านิพพานไปส่วนสองแม่ลูกไปนรกท่านว่าไปนรกนะแล้วก็หลังจากนั้นปรากบินเนี่ยก็ได้มาเกิดเป็นปลาในแม่น้อาอจีระวดีมีกายสวยงามเพราะว่าได้เคย บวชได้เคยสรุปีพุทธคุณมาจึงได้มีผลทางวันนะส่วนวาจาที่เหม็นนะครับเพราะว่าบริพาดด่าว่าคนอื่นเขาไว้แล้วก็ในประวัติก็บอกว่าพระผู้มีภาคได้ทรงสั่งให้ปลานั้นพูดปลานั้นก็พูดยืนยันตรงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าประวัติให้ฟังเ อ, อเรื่อง ของคนที่มีอำนาจทางจิตเนี่ยผมได้เคยให้ก็สังเกตแล้วว่าทําคนไม่มีสติให้มีสติได้อย่างเอาแค่ว่าทําอากัลญจิตของบุคคลบางคนให้พลาดได้ชัว่วขณะแล้วก็ทําสัตว์ดิลฉานซึ่งไม่ได้สํานึกเนี่ยให้ได้สํานึกรู้ความไม่ได้รู้ความได้ก็ได้เนี่ยคนมีมีว่ารมีธรรมนะมีความสามารถทางจิตคน มีความสามารถทางจิตสามารถที่จะบอกกล่าวผู้มองไม่เห็นให้ได้รู้เรื่องรับทราบรับข้อตกลงบางอย่างได้ซึ่งคนจิตไม่ถึงบอกไม่ได้แล้วก็คนที่มีความสามารถทางจิตเนี่ยทำคนอื่นให้ระลึกรู้อะไรที่เป็นเรื่องความสามารถทางลิธเท่านั้นจึงจะรู้ได้แต่เขาทำให้รู้ได้และ เลยไปถึงขนาดว่าทำให้เดลิชานเนี่ยระ ล, ลึกรู้อะไรขึ้นมาได้พูดภาษาที่ตัวเองปกติไม่ได้รู้ไม่ได้พูดพูดขึ้นมาก็ได้อ่าและนี่ขอให้เทียบเหมือนอย่างการตะกดจิตอะที่เ็ทํากันในต่างประเทศเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีมีภูมิทําสูงเนี่ยจึงเป็นผู้ที่มีพลังที่จะทำให้เกิดการได้สติแล้วก็เกิดความสามารถบางอย่างขึ้นมาได้ ตามลำดับความสามารถของภูมิปัญญาของบุคคลนั่นจึงไม่แปลแล้วครับว่าบางคนเนี่ยทำไมถึงพระบางองค์พูดกับกวายรู้เรื่องใช่ใช่ไหมรู้มากกว่าที่เราไปยอยๆคือๆมันนะ่ะทําไมพูดกับหมารู้เรื่องเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้ทําไมพูดกับเสือรู้เรื่องทําไมพูดกับจางรู้เรื่องเป็นไปได้มหมเป็นไปได้ ทำไมพูดกั ง, งูลรู้เรื่องเป็นไม่ได้เมืองเป็นเรื่องบารมีธรรมนั้นไม่แปลกแล้วที่พุทธเจ้าจะสามารถทำให้สัตว์ลนาชาญเนี่ยสแสดงออกด้วยอะไรบางอย่างที่เป็นข้อผิดวิสัยได้เรื่องในวินัยเคยเล่าว่าแม้แต่นกฟังภาษามนุษย์ไม่รู้บางทีท่านสั่งให้พระไปพูดขอขนนก แล้วไปบังคับจิตให้นกเนี่ยมันรู้ภาษาเพื่อจะเอามาเป็นข้อสอนพระองค์นะก็คือพระท่านลำคาญนกก็ เ, เลยสอนให้ไปขอขนนกปกติไระตะโกนเปล่าๆไม่รู้อ่ะพุทธเจ้าท่างก็ใช้บา ร, รมีทําให้นกรู้ความว่าเสียงที่พระตะโกนโว๊กโวกเนี่ยต้องการจะเอาขนขอขนนกมันก็เลยระแวงหนีกันหมดเลยนี่ถ้าหากว่าเป็นพระอหรหันต์ไปขอมันคงเต็มใจให้ ผู้เที่จ้าก็ไปบรรดาให้นกรู้ความก็มเลยหนีพระองค์นั้นเลยทํากรรมฐานได้นกไม่กวนเลยเป็นวิธีแก้คนกวนนะขอเอาไว้ขอให้มากเอาไว้เดี๋ยวเพ่นแนบเอง เ, อเป็นนั้นว่าปลารู้เรื่องนะแล้วก็พูดออกมาเรื่องก็เลยเป็นที่ปรากฏและในนั้นก็บอกว่าปลาเนี่ยยังไม่สิ้นกรรมอันนี้เขาเรียกว่า ตอนที่อยู่ในนรกเนี่ยอกรรมมันอ่อนเนื่องจากว่ามันมีกุศลเข้าไปเบียดเบียนแต่แค่เบียดเบียนเท่านั้นแล้วอากุศลเลยลดกําลังส่งผลมาเกิดเป็นปลาอากุศลยังเป็นชนกกรรมอยู่แล้วกรรมก็เข้ามาเบียดเบียนคือมาให้ผลได้มากขึ้นถึงมีลักษณะดังกุศลในบาป และเมื่อมาพบพระพุทธเจ้าปลาได้ฟังเรื่องอย่างนี้แล้วก็เกิดความวิปฏิสารร้อนใจว่าดิ้นจนหัวโขกของแข็งตายไปในที่นั้นตายแล้วไปไหนอากุศลีิบากนำเกิดตำลงไปอีกไปนรกคงยาเปน็นนรกขุมเปล่าลงหน่อยนี่แต่กถาเล่างั้นนะ จากนรกมาเป็นเรยาฉานจากเรยาฉานไปเป็นนรกอีกอ่านตรงนี้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะก็อยู่ต่อหน้าพุทธเจ้าทั้งไปทําไมไปนรกอ่าก็นี่เขาเรียกว่าเอาไว้กินชาติต่อไปไงบา ร, รมีตรงนี่ประวัยกรรมนะเขายังรองคิวของเขาอยู่อาจจะไปชั่วคราวนี่ไม่ได้เล่าต่อเราก็แต น, นิฐานไปในทางดีเพราะว่าการสงเคราะห์เนี่ยบางทีก็สงเคราะห์ไม่ใช่ได้ระยะ เดี๋ยวนั่นก็ในระยะต่อไประยะต่อไปยังไม่ได้ก็เป็นระยะยาวต่อไปน้ําเชี่ยวใครจะไปขวางเรือได้เวลาท่านทํากรรมเนี่ยยํำยีธรร ม, มะด้วยอะทำอวินัยด้วยแล้วก็ยํำยีแก่พระเพื่อนสาวธรร ม, มิกอาจจะไปเจอพระอรหันต์พระอนาคามีเข้าบ้างเนี่ยก็ใครจะไปรู้ได้บาปก็มากขึ้นแล้วก็ทําให้คนสมาทานตามเป็นจํานวนมากด้วย ในบทบาทของผู้ที่เขายอมรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็สามารถที่จะแสดงทำได้เป็นอย่างดีบาปก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวตามความสามารถที่มากขึ้นเอาละ่ะทีนี้นั่นเป็นเรื่องของปลาทีนี้เมื่อท่านยโสชาแล้วก็บริวารมาเห็นอย่างนี้เขาก็เกิดความสลดใจ สิ่งที่ตัวเองไม่เคยคิดเคยนึกเคยได้ยินได้ฟังเพราะว่าความคุ้นเคยเคยชินของคนที่ทำการประมงเนี่ยไอ้ความพฤติกรรมที่เขาทำเ้าก็ชินจนทั้งไอ้ทางหนีที่ไล่ไอ้การอธิบายสาเหตุของเรื่องอะไรอะไรนี่มันมันโดนครอบมันโดนครอบอยู่ด้วยผลประโยชน์ทางอาชีพอย่างนั้นใช่ไหมใช่อย่างสมมติเราเกิดจะไปคุยกับคนที่ประมงไปโดนเขาจับไปอะไรไป พวกนี้ก็คุณไปจับเข้ามาเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเราไม่รู้จักเขาดีพอไ่ดูทางหนีตีไล่เราก็ไม่รู้จะถูกกล้องเขายัางไงใช่มฮะแล้วพอมาพูดอย่างนี้ก็อย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวเขาสัตไรแล้วเราจะเอาปลาที่ไหนหกินเอาห่วงกันอันนี้อันนี้ก็คือเรื่องของข้อเท็จจริงอะไรอะไรที่เกิดขึ้น ที่เป็นข่าวข่าวใหญ่โตอยู่ทุกวันนี้เราเห็นแล้วเราก็นึกไปถึงไอ้เรื่องของเวงกรรมอะไรต่างๆพอบางทีเจ้ากรรมนายเวงเขาก็มาเกิดเป็นคนใกล้ชิดข้างเคียงเพื่อให้กรรมมันเจ็บปวดมากขึ้นเหมือนอย่างหลายๆเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วสมมุติว่าให้เราไปฆ่าผมไปฆ่านายกตายและนายกมาเกิดเป็นลูกของศัตรูงี้มันยังไม่เจ็บปวดเท่าไหร่ใช่ไหมใช่เราก็มีการระวังถ้าเกิดมาเป็น มาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกของเราเองมันไม่ได้ระวังมันเจ็บปวดมากกืนไม่เข้ากายไม่ออกเหมือนหลายหลายๆที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องเก่าและเรื่องปัจจุบันใครฟังไม่ออกก็ไม่ต้องจะว่าไงแล้วแสดงว่าดีมากใครที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องว่าผมพูดว่าอะไรเนี่ยดีมากคงจะออกมาจากห้องกรรมาฐานเลยไม่รู้ว่าโลกเขาเป็นยังไงแต่ว่าพูดอย่างนี้ท่านก็พอใจลึกไปในแบบที่ไม่ต้องยกตัวอย่างเป็นใครทั้งสิ้น อทีีน้ท่านก็เลยบวชที่นี้บวชแล้วก็ติดนิสัยคนอยู่ตาม <c oughs> ท่าปลาเนี่ยเสียงมักจะดังใช่ไหมผมอยู่ปากนาก้ำผมเห็นจริง ๆ, ๆเสียง ด, งดังดังทั้งคนส่งปลาดังทั้งคนขายปลาดังกันทั้งเสียงตะพดผูผัวปลาโปกเปกโปกเ ป, ก, เปกก็เป็นบรรยากาศของความเจียวจาวซึ่ง การมาบวชเป็นพระเนี่ยแมมมันสวนกับความคุ้นเคยเดิมอย่างนี้ทีนี้เมื่อมาบวชแล้วก็เลยติดนิสัยเกี้ยวเจ้าทําอะไรก็ค่อยๆไม่ได้เรียกว่าต้องมีหุยเลยหุยหุยเลหุ ย, ห ย, ห ย, ห ย, หยกันสุกทีแหละทีนี้เมื่อบวชแล้วก็มาบวชก็โดยแต่ทาทั้งนั้นแหละเพราะว่าทั้งหมดเหล่าเนี้ท่านเล่าอาดีต ด, ด้วยว่าพระยโสช้าที่เป็นหัวหน้าเนี่ย <c oughs> เคยเกิดเป็นพระทุดงอยู่ในปลาในป่า แล้วก็บริวารที่มาบวช ด, ด้วยเนี่ยในชาตินั้นเป็นพรานล่าสัตว์ไปพบเข้าไปพบปลาเข้าวก็เลยเลื่อมใสาจากบทสั่งสอนเทศนากระทั่งบวชเป็นลูกศิษย์ของพรานนั้นกันหมดนี่เป็นบา ร, รมีครับก็มาเกิดใหม่แต่มาเป็นลูกช า, ชาวประมงตามชะตากรรมเก่าชาติก่อนนะนะมันมันก็เกี่ยวเกี่ยวกับ ก, การฆ่าสัตว์ล่าสัตว์เลยก็ผูกพันกันมา ทีนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยพากันไปเฝ้าพระพุท ธ, ธเจ้าพอไปถึงเป็นเวลาใกล้ค่ำก็พากันจัดปลูกปกักตรดกรดจำนองนี้เสนาสนะเสียงลั่นไปหมดเลยพระผู้มีพรภาคก็ถามราชนนว่านั่นเสียงอะไรเออะเจียวเจ้ายังกระชาวประมงที่สะพานปลาจำนองนี้ซึ่งก็จริงๆ พเหมือนกันละพระจากประมงเสียงเซ็ไปหมดเลยพระก็พูดว่าเป็นเสียงของพระกลุ่มของพระยะโสชะมาเพื่อจะ้าพระผู้มีพระภาคกําลังตเตรียมจัดเสนาสะนะหาที่พักกันอยู่โดยรอบพระผู้มีพระภาคจึงสั่งภิกษุรูปหนึ่งว่าให้ไปไล่ไปไล่ไปทั้งอาจารย์ทั้งกัวหน้าคณะทั้ง ลูกน้องแหละบอกตามคำของเราพระก็ไปบอกผลที่สุดเสียงเงียบคราวนี้ถอนกรธกันเงียบกริบเพราะว่าโดนแค่กออาแล้วว่าอะไรก็ไปไปอยู่ในที่อื่นพอไปถึงที่อื่นท่านยะโสสะก็สามเรียกมาสอนเลยว่านี่แหละเราถูกทาโทษพพระพุทธเจ้าท่านไม่ชอบคนเสียงดัง ขอให้พวกเราในะอยู่ด้วยอาการอันสงบและปฏิบัติธรรมด้วยอาการสงบตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าสังสาคะจากเสียงเกลียวเจ้าความวุ่นวายไม่มีเลยทําให้พระองค์ทั้งหลายเหล่านั้นทุกองค์เลยนะในขณะเนี่ยบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ภายในปรรษานั่นเองเมื่อออกปรรษาก็ได้พากันมองพ้าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งอยู่พอเห็นพระนั่งเข้ามาแล้วก็เข้าอนเนรชาสมาบัติ พระอนนท์ก็นั่งบนในบัตรอยู่ทีแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไรพอพระกุมนั้นมาถึงอลรหันโดยกันแล้วเข้าใจมาถึงก็เข้าอนเนชาสมาบัตรตลอดปฐมยามพระนอนนท์ก็ปลุกพระพุทธเจ้าว่าแขกมารออยู่กันเต็มแล้วเนี่ยขอพระผู้มีพระภาคจงทรง รับทราบอย่าให้แขกอื่นหดใจเลยดังนองอย่างนั้นลานนนทไม่รู้ว่านี่คือการต้อนรับด้วยธรรมะที่เรียกว่าธรมธาธรมะปฏิสันถานธรรมะปฏิสันฐานชั้นสูงนี่คือภาวนาทีนี้เราถ้าวันหลังเกิดเราไปหาละหรือเราไปหากันเองก็ได้เกิดผมก็ลังนั่งเข้าสมาบัติอดี๋ยวนี้ไปหาแล้วนั่งก็ไม่พูดชั่วโมงก็ไม่พูดสองชั่วโมงก็ไม่พูดชื่นใจไหมคงเข้าใจกันผิด นี่เขาเรียกว่าของต้อนรับเนี่ยต้องควรแก่การบริโภคของบุคคลผู้เป็นแขกไม่ใช่ว่าคนอิสลามไปหาแล้วเอาหมูสเต๊ะ ม, มาเลี้ยงเนี่ยมันก็เกิดเรื่องอะทีใครจะเข้าใจได้จนถึงมัชิมยามผ่านไปคนที่เห็นจะเป็นกังวลที่สุดคือพระอานนนะ แต่มองซ้ายทีขวาทีมองหน้าเจ้าของบ้านทีเจ้าแขกทีแล้วก็ไม่รู้อะไรแล้วก็เตือนเป็นเข่าคราวในที่สุดก็ออกแล้วก็เลยอธิบายให้ฟังว่านี่เป็นการต้อนรับเป็นการยกย่องอย่างดีเพราะฉะนั้นการขับไล่ของพุทธเจ้าในครั้งนั้นคือการสอนอย่างหนึ่งถ้าเรียกเอาเมื่อเมื่อมีบุคลิกเจียวเจ้าก็สอนแบบเจียวเจ้าใช่ไหมไอ้ขับไล่เนี่ยมันสอนแบบเจียวเจ้า เมื่อเจียวเจ้ามาก็ต้องตวาดกันแหละสอนแบบตวัดตวาดจำลองนี้นะเทียบเลยเป็นนันว่าเรียบร้อยกนี่เป็นเรื่องของท่านยาโสชะเป็นอดีตหัวนหน้าลูกของชาวประมงแล้วมาบวชเป็นพระก็เป็นผู้บริหารหมู่คณะที่มามีอดีตเป็นชาวประมงมาถึงอีกองคหนึ่งครับองค์ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า ชื่อว่าสาติมติกะท่านสาตินี้เกิดในสกุลพราหมณ์ชาวเมืองมคตเมื่อเจริญเติบโตเป็นหนุ่มขึ้นก็ได้บวชในสำนักวัดป่าแห่งหนึ่งก็เป็นการบวช ด, ด้วยอัธยาศัยของการชอบบวชเมื่อไปเจอวัดเจอพระเขาก็ชอบแล้วก็ได้บวช แล้วก็ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนทั่งได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์อย่างเรียบเรียบนะครับบรรลุง่ายๆบรรลุเรียบเรียบแต่เป็นอรหันต์ฝ่ายชา ล, ลาภีมีได้วิญญาด้วยเมื่อได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็สั่งสอนทั้งพระดนการสั่งสอนญาติโยมให้ตั้งอยู่ในสมณธรรมที่ถูกที่ควรตามกติของพระอรหันต์ทั่วไปนั่นแหละ ตัวท่านเองนั้นเป็นที่เลื่อมใสศรัท ธ, ธาของญาติโยมเป็นอันคราวนี้วันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นนี่ไปพูดถึงว่าเป็นอาลัยนแล้วนะก็ได้ออกไปบินทบาทก็มีโยมเข้าราวรนาไว้ก็เลื่อมใสท่านทั้งบ้านนะครับทีนี้มีโยมคนหนึ่งที่เป็นลูกสาวเจ้าของบ้านเป็นคนรูปงาม อย่างยิ่งะนะครับก็มาอังคาาปัตาหารแกท่านโดยเคารพทีนี้ตอนนั้นน่ะนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมารทั้นั้นแหละมารก็คิดว่าพระองค์นี้นะไปไหนไปไหนคนก็เลื่อมใสทำอย่างไรจึงจะทำให้คนไม่เลื่อมใสเพราะความเลื่อมใสที่ใครแต่ใครให้พระองค์นี้เราทนไม่ได้ทำอย่างไร มานจะไปเข้าพระอาหารหันต์ก็ไม่ได้จะไปดนใจพระอาหารหันต์ให้ทําอะไรผิดๆเพล่าๆก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มารทําได้ก็คือปลอมเป็นพระอาหารหันต์ได้ปลอมเป็นรู้เจ้าอย่างได้เลยครับเคยมาแล้วปลอมไปหลอกออุบาสกคนหนึ่งที่ชื่อว่าสุ ร, รัมเพ้าอุบาสกมนาะเทศเมื่อกี้หยกๆอย่างแล้วก็ตามมาถึงบ้านบอกว่าที่เทศนั้นผิด บังเอิญโสลำพาเป็นโสดาบันจึงรู้ว่าใครเป็นใครนี่มารเนี่ยปลอมอย่างไรปลอมมารับบาตรวันหนึ่งก่อนหน้าที่พระจะมามาตัดหน้าแล้วก็ลูกสาวเจ้าของบ้านก็มาพ่อแม่พี่น้องก็อยู่ในบ้านมารก็กะจังหวะว่าให้ทุกคนในบ้านนได้เห็นกระตาพอมารับบาตรก็ ละจับมือโยมเลยด้วยอาการของคนเจ้าชู้ด้วยอาการของคนที่มีราคะดำกฤิศนาครอบงาโยมที่อยู่ในบ้านเห็นเข้าก็มองหน้าเลือกหลักไม่เชื่อกรตาว่าเอ๊ะทำไมพระองค์นี้ถึงกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ก็เลยพากันสิปากว่าไม่ไดวาวตาเห็นนะสิ้นศรัทธาพระองค์นั้น อาจารยะอันงดงามทั้งหลายที่ได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นการเล่นละครของพระองค์นี้ตัวจริงเมื่อถอดหัวโขนออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เองทีนี้เมื่อไม่ศรัทธาพอลุ่งขึ้นมาบินทบาตก็ไม่ใส่บาทนี่ก็ธรรมดาเรื่องก็ลือกันแซดจากบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งท่านเองท่านก็รู้ ในที่สุดเนี่ยท่านทอยังไงท่านใช้ฤทธิ์คือใช้อำนาจไปบังคับมานให้มาสารภาพความผิดต่อหน้าโยมด้วยการจําแรงแปลงตัวให้ดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยความจริงแล้วพระคุณเจ้ารูปนี้มิได้เป็นผู้กระทาข้าพเจ้าเป็นผู้แปลงตนมาด้วยความประสงค์อย่างนี้มากระทาเพื่อ ทำลายศรัทธาของท่านในที่สุดโยงก็มาขอขมาแล้วก็ก็เลยมีโยงคนหนึ่งบอกว่าแม้ท่านนดีอย่างนี้สามารถบังคับมารได้อะไรได้เนี่ยเป็นเรื่องน่าเลื่อมใสามากเลยขอเป็นโยงอุปถาคนเดียวบอกวันหลังไม่ต้องไปรับบ้านอื่นแล้วมารับที่ที่บ้านโยงก็ขอท่านไม่รับนะครับแล้วก็ท่านได้ให้คติเกี่ยวกับเรื่องความเลื่อมใสเอาไว้เรื่องความศรัทธาไว้หน้าคิดมาก เราควรจะถือเอาเป็นกติข้อเตือนใจจากตรงนี้ความจริงเราถือมานานแล้วแต่ว่าอามาได้อ่านถ้อยคำของท่านก็เป็นข้อยืนยันชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องศรัทธานี่นะครับคือศรัทธาเป็นของไม่เที่ยงเราศรัทธาใครเราก็นึกว่าศรัทธาเราไม่เป็นของเที่ยงไม่เที่ยงเพราะว่ า, าคนที่เราศรัทธานั้นอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราศรัทธาก็ได้ และใครสัทวาเราก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะว่าสิ่งที่เขาสัทวานั้นอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราไม่ตรงอย่างที่เราเป็นก็ได้มันหลายอย่างด้วยกันเราก็ต้องคิดอย่างนี้จะได้ปล่อยวางท่านจึงได้กล่าวเป็นข้อคิดอย่างนี้ครับว่าเมื่อก่อนท่านมีศรัทธาแต่วันนี้ท่านไม่มีศรัทธาสิ่งใดที่เป็นของท่านขอสิ่งนั้นจงเป็นของท่านนั่นแหละทุจริตของเราไม่มี เพราะศรัท ธ, ธาไม่เที่ยงกลับกลอกศรัท ธ, ธานั้นเราเคยเห็นมาแล้วคนทั้งหลายประเดียวรักประเดียวหนายดูก่อนท่านท่านจะเอาชนะใครเอาชนะในคนเหล่านั้นได้อย่างไรบุคคลย่อมหุงอาหารไว้เพื่อนักปราดทุกทุกสกุลสกุลละเล็กละน้อยเราจากเที่ยวไปบินสบาท กำลังแข่งของเรายังมีอยู่อันนี้ก็เป็นการสอนโยมนะศรัทธาไม่เที่ยงนี่คือไม่ใช่ศรัทธาของท่านเป็นศรัทธาของโยมศรัทธาไม่เที่ยงนี้พูดถึงศรัทธาไม่เที่ยงนี่เหมือนกับพูดดูถูกไม่ใช่ดูถูกคนที่ไม่ปรงศรัทธาไม่เห็นพิจารณาศรัทธาโดยความเป็นอย่างนี้อาประมาทในศรัทธาหรือสําคัญศรัทธาตัวเองผิดเนี่ยมีโอกาสผิดหวังในศรัทธาตัวเองได้ง่าย เพราะนั้นจะต้องระวังและอันหนึ่งในทางดีก็คือว่าทําให้เราเนี่ยเอาใจใส่บํารุงศรัทธาของเราอย่างฉลาดนี่ถ้าเป็นศรัทธาของเรานะเราจะบํารุงอย่างฉลาดและศรัทธาเราจะประณีตยิ่งขึ้นและมีความมั่นคงด้วยเหตุอันควรมากยิ่งคือศรัทธานั้นเป็นของรักษายากและศรัทธาที่ดีที่สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติก็ยิ่งทําให้เกิดยากเกิดแล้วก็รักษายาก นี่เป็นเรื่องของพระองค์นี้ขอบต่ออีกองคหนึ่งสุดท้ายนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยแปดสิบชื่อว่าพระอุบาลีกอเอ่ยถึงท่านอุบาลีนี้เราก็ร้องอ๋อแล่ะครับพระอุบาลีเป็นองค์เดียวกับกัดกับพระอุบาลีที่ทรงวินยัยท่านอุบาลีนั้นเกิดในสกุลช่างการระบบก็คือเอาสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> การสืบ อาชีพสืบสาอาชีพมักจะสืบตามสายเลือดในอินเดียนะฮะคนเกิดเป็นประมงก็ทําประมงไ อ, ไอลักษณะของการประกอบอาชีพแบบก้าวข้ามสกุลข้ามครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยมีไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เนี่ยอ่าลูกคนขายทานอาจจะไปเรียนวิศวะหรือลูกหมอจะเรียนหมอตามพ่อไม่ได้ต้องไปเรียนครัวอย่างนี้ก็ได้ มันไม่แน่ <c oughs> เพราะฉะนั้นธนอุบาลีเมื่อเกิดมาเป็นลูกช่างกระระบกเนืเ่องจากก็เป็นช่างกระระบกที่ช่างตัดผมแต่งหนวดในสกุลกษัตริย์ก็จึงไม่ใช่สกุลช่างพื้นๆทั่วไปเป็นสกุลช่างชั้นต์ดี <c oughs> <c oughs> เมื่อจเจริญเติบโตขึ้นก็เรียกว่าสกุลไม่ผิดหวังเพราะท่านอุบาลีนะั้นเป็นช่างกระระบกที่ท่านใช้คําว่าเป็นที่เลื่อมใส ของพวกกษัตริย์แล้วก็มีกษัตริย์กลุ่มหนึ่งที่เหมือนเป็นลูกค้าประจําก็คือกษัตริย์ที่ออกบทด้วยกันน่ะเป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นเจ้านายด้วยเปนเพื่อนด้วยแล้วก็ได้ใช้บริการกันอย่างเลื่อมใสด้วยก็เป็นคนวีฟีมือเ อ, อเพราะฉะนั้นพวกช่างผมช่างอะไรเนี่ยดูเผลอนๆดูแล้อย่างไม่คิดอะไรก็เหมือนก็เหมือนเหมือนเหมือนกันแม้แต่ประเภทไอ้ตาย ถายผมนักเรียนปัตตเลียนอ่นันนี้ยังไม่เหมือนกันเลยลนะบางคนก็วิมือหยาบบางคนถายไปก็กินหัวไปด้วยก็ยังอุตส่ามีนะประเทศวิมือหยาบบางคนก็วิมือละเอียดนิดๆในหน่นนอยก็ละเอียดนั้นท่านอนุรุตท่านอาโนนท่านพัฒทิยะท่านภกุณะท่านติดสะก็เรียกว่าเป็นขาประจําเป็นเพื่อนกันด้วยถึงคราวออกบท คือเมื่อเจ้าชายออกบวชท่านก็ออกบวชตามด้วยจะตามไปตัดผมตอนบวชโกนหัวให้ก็ไม่ได้ก็ mm hmm. เป็นนั้นว่าออกบวชที่เดียวกันนะที่อนุปยานิคมคืออนุปยอนุปยามประวัติตอนพิจ้ามาเสด็จประทับอยู่ที่นั่นถามว่าใครบวชก่อนธนุบาลีได้รับเกียรติให้บวชก่อนเพื่อประโยชน์ในการละมานะ ซึ่งนับว่าเป็นของยากแต่เดี๋ยวนี้เราอาจรู้สึกไม่ยากเพราะว่าเราคุ้นกับธรรมเนียมพระลูกเราบวชเรายังกราบได้สนิทใจไม่เห็นเป็นของแปลกแต่สมัยก่อนนี่เป็นของแปลกโดยเฉพากกะกษัตริย์ที่ถือเชื้อถือชาติอย่างพวกสากยะจะมาไหว้บุคคลชั้นกันมาชีพยอย่างท่านอุบาลีเนี่ยเป็นของทําได้โดยยากแน่ ก็คือนี้เมื่อบวชแล้วก็รับก็มมฐานประพฤติธรรมก็อยู่ในป่า ก, ก็การบรรลุธรรมนั้นก็แตกต่างกันไปนะครับสาหรับท่านอุบาลีนั้นบรรลุเร็วเป็นผู้ที่บรรลุเร็วคนที่บรรลุหลังเพื่นเลยใครรู้ไหมในขณะท่านอานนท์บรรลุหลังเต้งเลยและที่ไม่บรรลุเลยใครเข้าไปนิพพานท่านไปนระกคือท่านเทวทัต เจ้าชายเทวทัตงั้นท่านอุบาลีเนี่ยทําไปทํามากลายเป็นพระที่โดดเด่นต้องนับว่าเด่นวิเศษเพราะว่าทรงวิในนี่ถ้าเดี๋ยวนี้ก็ต้องต้อ ง, ง, งควรจะต้องเป็นประธานสภานะครับเก่งวิในเป็นประธานสภาสมัยก่อนเนี่ยเรื่องอะไรต่างๆที่ใครวินิจฉัยไม่ออกมาถึงท่านแล้วก็ชัดเจนหมดเกี่ยวกับเรื่องวิในพระพุทธเจ้าได้ยกย่องท่านเมื่อ ชำระคดีสําคัญที่ชำระญ่าสามคดีคือคดีท่านกุมารกาสปะคดีของท่านอุจจกะคดีของท่านปารุกัต จ, จะเรียบร้อยเนี่ยเป็นที่ยอมรับเลยเป็นผลงานชิ้นโบดแดงรู้ที่เจ้าจึงสถาปนาเป็นเอตตทักคะก็ท่านเองท่านมีฤทธิ์มีเดชอะไรด้วยนะเป็นเป็นพระอรหันต์ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าทรงทุละทั้งสองอย่างแต่แรกเนี่ยท่านขอกับรูทิเจ้า ว, ว่า เมื่อบวชแล้วจะขอเจริญวิปัสนาอยู่ป่าแต่อย่างเดียวพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าอย่าเลยเธอควรจะทำให้เจริญทั้งสองอย่างได้ถ้าเธออยู่ป่าเป็นวัดแล้วก็จะเจริญแต่วิปัสนาทุระอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเธอได้เอาภาระทางคันทุระด้วยก็จะชื่อว่าทรงทุระทั้งสองอย่างไว ท่านก็เลยปฏิบัติตามเรียนพุทธพจน์ด้วยพุทธพจน์ที่สอนมาแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในภายหลังๆแล้วก็ปฏิบัติ ด, ด้วยบรรลุเป็นพระอหรหันต์ไปก่อนอรหันต์อภิญญาหกปฏิบัติอปฏิสัมพิทาสี่ครบหมดเรียกว่าเป็นพระอหรหันต์ที่บรรลุญาณบริพันธ์ครบหมด นี่เป็นเป็นกรณีเด่นในทางคุณส่วนตัวแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นผู้ทรงธรรมทำนั้นเนื่องจากว่ามีคนทรงเยอะท่านก็ทรงธรรมด้วยแต่ว่าวินัยเนี่ยเป็นข้อที่ท่านได้รับยกย่องพิเศษเราจึงนึกถึงท่านในเชิงวินัยแต่อย่างเดียวความจริงอย่างอื่นด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของท่านอุบาลีเทระเจ้า วันนี้เราคงจะได้เท่านี้นะครับก็พูดเกินเวลามาเพื่อให้เวลาในเทพบัรทึกเสียง